เตจตาลีสะวัตต์ว่าด้วยวัด43ข้อในอุคเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติพึงประพฤติโดยชอบการประพฤติโดยชอบในเรื่องนั้นดังนี้ 1. ไม่พึงให้อุปสมบท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 ไม่พึงต้องอาบัติอื่นทํานองเดียวกัน8ไม่พึงต้องอาบัติที่เลวซามกว่านั้น 9. ไม่พึงตำหนิ ก, กรรม 10. ไม่พึงตำหนิภิกษุผู้ทํากรรม11ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ของปกตตะภิกษุ1 2ไม่พึงยินดีการลุกรับของปกตตะภิกษุ 13. ไม่พึงยินดีการประนมมือของปกตจตตะภิกษุ 14. ไม่พึงยินดีสามีจิกรรมของปกตตะภิกษุ 15. ไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ของปกตตะภิกษุ 16. ไม่พึงยินดีการนำที่นอนมาให้ของปกจตตะภิกษุ 17. ิ ไม่พึงยินดีน้ำล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปกตัตะภิกษุ 18. ไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกตัตะภิกษุ19ไม่พึงยินดีการรับบาตรและจีวรของปกตัตะภิกษุ20ไม่พึงยินดีการที่ปกตัตะภิกษุ ถูหลังให้ในคราวอาบนา้ำา21ไม่พึงใส่ความปกตัตะพิกษุด้วยสีลวิบัติ 22. ไม่พึงใส่ความปกตัตะพิกษุด้วยอาจารวิบัติ 23. ไม่พึงใส่ความปกตัตะพิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ 24. ไม่พึงใส่ความปกตัตะพิกษุด้วยอาชีววิบัติ 25ไม่พึงยุยงประกตตะภิกษุให้แตกกัน26ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัตยสิบไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดรถี28ไม่พึงคบพวกเดี๋รถี29พึงคบพวกภิกษุ30พึงศึกษาศิกขาบทของภิกษุ 31ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ32ไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตภิกษุมสไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ 34เห็นปักกตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ 35. ไม่พึงรุกรานปักกตตะภิกษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหาร 36. ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปักกตตะภิกษุ 37. ไม่พึงงดปวารณาแก่ปักกตตะภิกษุ 38. ไม่พึงทำการไต่สวน 39. ไม่พึงเริ่มอนุวาธาทิกร 40. ไม่พึงขอโอกาสภิกษุอื่น 41. ไม่พึงโจทย์ภิกษุอื่น 42. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 43. ไม่พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะ เจตารีสวัตตะในอุเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบ